أعوذ بالله من ا ل ش อ ط ا ن ا ل ر ج น م هو الذي جعلكم خ ัตَจ์อัَกุมข م ลาอีฟะฟ ي ล้อร์ฮุ ل อัลล ف ติจ์อัลกุมขุลาอีฟะฟ ك ล้อร์ ي َะยิ่งจะย ك ُ ا ยิ่งยิ่งย ي ่ง ك ُ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งย إ ่งَิ่งยิ่งยิ ل l يزيد الكافرين كفرهم إلا خس อัอัน أ ع ت ا, أ, آ, ت ا ب ة فهم อิดุ ทุกสามภเวทและโลกจะลดล و ว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือว่าจะไม่ได้รับการช่ว م เหล อَพดิมม์บัดอินเดห์เขาَป็นผู้รَ่รวยอَนเดห์เขาเป็นผู้ร่ำรวยและเ ل َ i ِ ن ذ, ن ن ذ ن ي لا ء َ ه ُ م u m نذير لا يكونن أهدى من إ ح ى ل م م لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فَلَم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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع عليم رضيء بالله رب وبالإسلام د ي ن ا وبمحمد ا ل رسوله اللهمرني أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم u m a a f في بدني و ع ا ف ن ي في سمعي و ع ا ف, ع ي آ ف ع د د ا ن, ن ي في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وبداية كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغثث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين พัสบิยัลลอฮฺ ونعمة الوجيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสุบะที่มัสยิดของอัลลอฮที่รักทั้งหลายคับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับเซตอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับข้ามเดลิลละก่อนอื่นพี่น้องเราต้องดีใจนะ ดีใจเนี่เป็นเรื่องใหญ่ทําให้สุขภาพแข็งแรงดีใจที่เราเป็นมุสลิมดีใจที่เรามีอัลลอฮ์นะครับเอาไว้อัลลอฮ์เนี่ยมีไว้เราต้องโยงกับอัลลอฮ์ได้ทุกทุกเวลาคนที่โยงกับอัลลอฮ์นะครับหัวใจเราต้องโยงกับอัลลอฮ์ทุกเวลาทำให้หัวใจอิ่มเอิบนะครับแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรง อยู่กับอัลลอฮ์นี่ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะไม่มีอะไรเสียหายเลยมีแต่ดีดีดีดี ด, ด, ดีนะครับลฮัมดุลิลละฉะนั้นนึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราเป็นมุสลิมขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ถือสิ้นอดผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนก็บวชหกกัแล้วใช่ไหมละ่ะละฮัมดุลิลละใครจะบวชสุนัตก็บวชได้ใครจะบวชใช้ก็บวชไ ด, ใ ด, ช ด, ได้ในเดือนช้าวานี่แหละ แต่ถ้าหญิงอาชาภรรยานาบีเนี่ยท่านบวชหกในเดือนชาวานันแต่บวชชายเนี่ยท่านไปบวชเอาเดือนนูนาชาบานะีอีกส1บเอดเดือนข้างหน้านะี่คนถามว่าทำไมอะ่ะเขบอกฉันต้องรับต้อรับชายสามีรับชายนาบีรับชายนาบีอัลฮัมิ ล, ลิะ อัลลอฮ์เขายิ่งใหญ่จริงๆนะการรับชายสามีเนี่ยภรรยาที่รับชายสามีเนี่ยมีรางวัลเยอะยิ่งสามีเป็นคนดีด้วยนะเป็นคนที่อะไรสอนสาศาสนาเป็นคนที่ทํางานให้กับสังคมใช่ไหมเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยสภรรยาที่รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่อัลลอฮ์บอกว่าได้ผลบุญเยอะนบีเลยพูดบอกว่าภรรยาชันมีหลายคน เอานัลลีช่วยเหลือฉันแต่มีภรรยาของนบีอยู่คนหนึ่งน่ช่วยสามีเหมือนกันแต่ช่วยให้ทาผิดพอจะนึกออกใช่ไหมภรรยาของนบีอาดัมอาลัยฮิสลาลช่วยสามีให้ทำให้ทำบาปเห็นยังเห็นบนโลกนุญาไปนี่เนี่ยเ้าก็เลือกชีวิตได้ใช่ไหมานจะจะจะเป็นภรรยาของนบีอาดัมก็ได้ เป็นรอเตียมลการแตยการถูกไล่ออกจากนดออ ก, กั้งนี้แต่ถ้าเป็นภ ร, รยาที่ช่วยเหลือสามีแบบภรรยาของนบี ม, มัมัติก็เป็นได้อะแล้วก็สบายใจไหมสบายใจด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณเอาลอดเป็นน้องครับที่เราอ่านคุรอ่านเนี่ยละมารอแล้วก็ไม่ได้หยุดนะเราอ่านคุรอ่านก็บพ็นน้อง ในเดือนร م ض ا ن เราก็อ่านนอกเดือน رمضان ก็อ่านแล้วก็เราซิกรุลลอห์ในเดืดนอน ر م ض ا แล้วก็ซิกรุลลอห์ขออุทิศเราก็ทําในเดืดน ullah, อ, ดอน رمضان ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ก็เดือน ر م ض ا แล้วก็บริจาค ก, กันในเดือน ر ม ض ا ن เลี้ยงอาหารกันก็นกเดือน ر ม ض ا ن ทีนี้สังเกตบางไหมว่า ر ม ض ا ن ที่เราทําความดีมาหกเจรายการเนี่ย จะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงรับความดีที่เราทำเนี่ยมีอลาลรมะ้ยมีเครื่องหมายบอกเหตุรอมฎอนผ่านไปแล้วแต่ใจมันอยากจะนึกจะทําความดีเหมือนทําความดีในเดือนรอมฎอนใจอยากนึกนึกอยากจะทําอยากจะบวชอยากจะอ่านอุเรียนอยากจะขออุดาอยากจะสิกรุลลอ อยากจะทำบุญอยากจะบริจาคอยากจะให้อภยัยเพราะว่าเดือนรรอัมรัดนี่ใครว่าใครดา่าเราเราก็หูทลมมนล้มอ่ะนะไม่ใส่ใจนะพอ อ, อัรรมรัดไปแล้วก็นิสัยมันยังติดมาสแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยรับความดีที่เราทำในเดือนอัมรันแล้วนี่เรื่องใหญ่อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องแบบพี่น้องที่เราไปทำฮัชกันนะ เราเราพูดกันเป็นประจำว่าคนที่เอาเร์รับฮยจเนี่ยรับตอนไหนหรู้ไหมตอนกลับมานิสัยเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนึกถึงตัยอดเลมที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาก็เลิกบุรี <c oughs> เลิกบุรีคุณถาวว่าเลิกทำไมก็บอกไปทำฮัจีมาไปทำ อ, อมุมรอมานึก ไม่ได้ยากไงฉะนั้นบางคนนี่นะเลิกบุรีได้เลิกทําบาปได้เพราะไปทำฮายีมาก็เยอะฉะนั้นเนี่ยคนที่สํานึกแบบนี้นะ่ะเป็นคนดีนะฉะนั้นรมฎอนผ่านไปแล้วยังอยากจะทําอยากจะอ่านกุณอ่านอยากจะบริจาคอยากจะให้อภยัยอยากจะขออุอายอยากจะนุ่นอยากนี้นั่นแสดงว่าอัลลอฮฺรับดวอารับความดีที่เราทําในเดือนรมฎอนแล้ว รามาอนผ่านไปแล้วฝนลุกขึ้นยังลุกขึ้นน้ำมาตะฮัดยุดได้อีกโหยิ่งใหญ่มากเลยนะได้น ม, มาวิเตสอีกตามธรรมดาเนี่วิเตสนี่นมากันรจะคนในเดือนระมฎดอนใช่หรือไม่ใช่พอนอกเดือนละมฎดอนอีก11เดือนไม่ค่อยได้ไดน้ำมาเท่าไหร่นอกจากคนที่เขร่งครัดศาสนาเนี่ย น, นะเขจะรักษาตลอดนะทุกคืนไดนามาวิเตสนะครับเพื่ออัลลอฮฺสุบไพรนะฮุบอัตตาละ ว, วันนี้เรามาถึงสูลรอฟาเต อัฟฟาร์ติสแปลว่าอะไรเนรมิตรพยายามท่องศัพท์ด้วยนะสับอัลกุรอานเป็นน้องท่องเอะนะครับอายาหนึ่งสักสามคำสี่คำห้าสี่อายาก็สักยี่สิบคำอะไรแบบนี้นะมันจะทําให้เราได้อ่านกุรอานแล้วเข้าใจเข้าใจความหมายของอักลกุรอานนะครับเวลาทำอยู่ดีแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพูดถึงเรื่อง ขอทวนนิดหนึ่งนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอธิบายถึงเรื่องอลัลลอฮ์เนี่ยมีอัฟมีซิฟัดอินนัลลอฮะอาลิมุไกรบะสัมภเวท والار إنه عليم بذات السدود คำหมาโดยสรุปก็คือว่าแท้จริงอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับทั้งหมด เรื่องรู้ของใครรู้ของมนุษย์เนี่ยเจ็ดพันล้านเนี่ยอลอรู้หมดสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดอลลรู้หมดเลยในแผ่นดินอลลรรู้หมดไม่ใช่รู้เฉพาะคนอย่างเดียวนะสปปรรพสิ่งทั้งหมดใบไม้ที่ร่วงลง ม, มาเนี่ยอย่างขณะนี้นะใบไม้ร่วงกี่ใบทั่วโลกเนี่ยอรรู้หมดเลยนี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละนี่คิดเรื่องเลยนี้นี่นะแต่กี้มามาเนะี่ย อินนาฟี خلق ا ل มาวา ت ิว ل أ อ ض و ا خ ت ل ا ิล ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ลบะอธิบายยังไงรู้เปล่าคนที่คิดใช้ปัญญาเนี่ยคิดเรื่องการสร้างชั้นฟ้าของอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินให้มีกลางวันมีกลางคืนอัลลอ์ชมนะคนที่คิดเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดอลิลอัลบะแปลว่าฉลาดเห็นไหย คิดเร่องอัลลอฮ์อย่างเดียวนะี่ยคิดว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างกลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์สร้างสัตว์สร้างโน่นสร้าง น, น, างนี้คิดอย่างนี้แล้วก็เล่าให้ลูกฟังด้วยเล่าให้ภรรยาฟังด้วยนะอัลลอฮ์ชมว่าคุณน่ะเป็นคนที่อุลิลอัลบาผนที่ฉลาดถ้าอลลอชมว่าโง่ล่ะไม่เคยทําให้กันนี่อัลลอฮ์ชมว่าคุณอุลิลอัลบาบเป็นคนที่ฉลาด เราอย่าเป็นคนฉลาดเด้ออย่าเป็นคนโง่ทุกคนอย่าเป็นคนฉลาดหมดฉะนั้นคนฉลาดต้องไม่คิดเรื่องของคนคิดเรื่องอลัลลอฮ์ไม่ต้องไปคิดเรื่องคนนั้นแล้เรื่องนั้นอย่าไปคิดปัจจุบาลบริหานเรื่องของท่านปล่อยไปใช่ไละ่ะเรานี่ดูแลอะไรนะดูแลตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวเราสอนให้ลูกเราภรรยาจะไปวิจารณ์คนนั้นคนนี้ผักโนนผัก น, น, นี้พอแล้วเท่า น, นั้นแหละไ ม, มีประโยชน์ได้เลย คุยเรื่องอัลลอฮ์ดีกว่าคิดการชั้นสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนอันลลอฮ์ให้อังนนเดือนนี้เดือนชาววนี่จะออกเดือน อ, อกูกมีบุญปีหมายต้องนึกเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงคิดเรื่องนี้ดีกว่านะครับอัลลอฮ์ชมว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาคนที่ฉลาดนะครับแล้วผมก็แนะนำอีกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะวิธีหาฤสกีเพิ่มอ่า มีอยู่หลายทางน่ะหาทิสกีเพิ่มน่ะมีอยู่หลายทางไม่ใช่แสวงหาอาชีพอย่างเดียวมีงานทำฮาหมุนลิลล่าดีใจแล้วยังมีอีกทางอื่นอีกอะไรบ้างหนึ่งกาวอิสติกฟาดเยอะๆทิสกีเพิ่มแต่งงานทิสกีเพิ่มแล้วก็ชุกชต่ออัลลอฮ์เยอะๆริสกีเพิ่ม แ, งงแล้วก็มีลูกเยอะ ๆ, ๆริสกีเพิ่ม เอลลาเห็นยังครับแล้วก็บริจาคเยอะๆไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ยที่ยืมไม่มากนี่แหละนี่แค่พ0 0 0 2 0 0ันบาทแต่บริจาคอีก500บาทเอาไปริสกีเพิ่มอลลเอารอให้นม่ไปนอนทั้งหลายนี่ได้จากคุณอ่านทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็เตือนลูกให้นมาแล้วก็เราก็นมา ด, ด้วยเอาลอกบอกว่าั้นะ วะมุรอละลาก บ, บิสซาลาวสตบิราเลฮยจงอบรมลูกเตือนลูกคนในครอบครัวให้ทํานามาดแล้วก็คนที่เตือนก่อนมาดด้วยได้เตือนคนเนี่ยมันต้องเตือนบ่อยๆแล้วเตือนลูกตัวหลานเนี่ยถาว่าเตือนครั้งเดียวมานามาดไหม <c oughs> ก็เป็นที่รู้กันอย่างน้อยห้าครั้งเห็นไหมเนี่ยการเตือนนี่นะเอเลาให้ดิสกี้เพิ่มมาเห็นไหมครับ ฉะนั้นเราแสวงหาริสกีอย่างเดียวไม่ใช่มีอย่างอื่นประกอบอีกบริจาคริสกีเพิ่มทำดีกับพ่อแม่เยี่ยมพ่อแม่ริสกีเพิ่มััมดีแล้วนี่ความรู้นี่ผ่านอะไรผ่านอัลกุรอานหมดเลยนะครับทำดีแล้วขอบคุณอัละนะครับเอาวันนี้มาอายาที่39นะครับขวัญเลยจะเล่าคุมขวัญเลยฟิลอาร์ด فَ งก์ كَفَرَ ف, ف َ عليه كفروه ْ ولا يزيدُ َِ الكافرين َْ ك ُ ف ْ ر ُ ه م عند ر َ ب ّ ه م عند ر َ ب ّ ه ِ م إلَّا ِ مقتَد وَلا يزيدُ َِ الكافرين ْ ك ُ ف ْ ر ُ ه م إلَّا خسَرَ الحمد لله อัลลอฮได้ความรู้เต็มเลยฮะมดุลิลลาห์ هو الذي جعلكم خلفاء في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا ما كتب ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة ละหัมดุล <folklore beeping> ิลลอหฺอัลลอฮฺบอกบรราเนี่ให้ความรู้กับพวกเรานะนี่ยิบรีลงมาสอนนบีนะนบีนารีอ่านหนังสือไม่ออกนะต้องนึกนะต้องนึกบ่อยๆเลยละแล้วก็เขียนหนังสือไม่เป็นอ่านไม่ออกเนี่ยความรู้อย่างนี้นมาจากอัลลอฮให้ยิบรีมาบอกนบี มีอยู่สามสี่คำนะครับหนึ่งคอลาอิฟอคอลาอิฟเนี่ยมาจากคอลีฟาเป็นพาหุพจน์ของคำว่าคอลีฟาตุนเราดีนยิ่งมากคอลฟาเป็นคอลฟาเป็นคอลีฟาคอลิฟาเนี่ยแปลว่าผู้ปกครองหรือแปลว่าผู้ที่สืบทอดจากคนที่ล่วงลับไปแล้วเรามารับ สืบท อ, อดอำนาจสืบท อ, อดการปกครองเนี่ยเรียกว่าคอลับแล้วก็นบีทั้งหมดเนี่ยเป็นคอลิฟ้าขอลิฟะาเนี่หมายถึงยางซาวะนะนบีใช่ไมล่ะ ท, ะ, มะท่านอบดุบคกร์เป็นคอลิฟสาไซนาอุมัดเป็นคอลิฟ้ท่านอุสมานท่านอาลีทั้งหมดเป็นคอลิฟ้าหมดเลยน่ะดังนั้นคนนี้เป็นยมะขอลาอิ เขาแต่งตั้งคอลีฟ้ามาทาอะไรบนโลกดุนยาใบนีอ้อ่าต่อมาอีกคำหนึง่งมักตาอ่าเอาสับนี่ไปนะมักตาแปลว่าความเกลียดชังเกลียดชังใครเกลียดใครเกลียดใครเอาล้อเกลียดเอาล้เกลียดใครเดยออ่านกูอ่านจะรู้อ่แล้วก็ อีกคำหนึ่งคอซารอมาจากคุซรอนแปลว่าขาดทุนอัลลอฮฺอักบรและอีกประโยคหนึ่ง <st ess ing> วลายาซีดุลกาฟิรีพูดสองครั้งนะวลายาซีดุลกาฟิรีเนี่ยยังสองครั้งหรือเปล่าสองครั้งคนกาเฟตไม่ได้เพิ่มพูนอะไรคนกาเฟตนี่นะอยู่บนดุนยานี่นะ ไม่ได้เพิ่มอะไรนะนอกจากเห็นไหมนอกจากมักตาแปลว่าความเกลียดชังแล้วก็คนกาเฟ่อยู่บนดุนยาบะเนียไม่ได้เพิ่มพูนอะไรนอกจากความข่าสาระขาดทุนเหยังแล้วเป็นทําไมกาเฟ่เป็นมุขมินดีกว่าไหมฮามดุ ล, ลิลลาเป็นมุขมินดีกว่าพี่นอ้องนี่เราไม่ได้ตําหนิใครนะอธิบายกรุรอานให้ท่านพี่น้องฟัง ได้ความรู้แล้วทำเรื่อยๆเอามาดูกุรานนะครับฮุอัลลาฮอัลลอฮ์ผู <inches> ้ทรงจ่าละกุม <für>, จ <demais> ่าละเดิมแปลว่าทำที่นี้แปลว่าตั้งหรือแต่งตั้งแต่งตั้งสูเจ้าทั้งหลายคอลีฟามาจากคอลีฟาแปลว่าผู้ผู้ปกครอง อัลลอฮ์ผู้ปกครองปกครองอะไรครับฟิลอาร์ดีดูแลแผ่นดินของอัลลอฮ์ใบนี้ถ้าใครจะไปขึ้นไปรวงจาน์อันนั้นอัลลอฮ์ไม่จะมาเดชสั่งอัลลอฮ์สั่งให้ดูแลพื้นดินอันนี้ให้ดีถ้าขึ้นไปบนรวงจานอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งอัลลอฮ์สั่งแผ่นดินอันนี้ฉันนี่นะแต่งตั้งคอลีฟะ ให้มาดูแลแผ่นดินนี้แล้วก็คนที่เอาล้อเลือกมาให้เป็นนู่นเป็นนี้นะ่ะมีรางวาัลไหมล่ะในรางวัลครับนี่แผ่นดินนี้อ่ะสมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยนบีรับผิดชอบทุกตารางนิ้วหมดเลยนะในโลกนี้มีอยู่กี่พันตารางไมล์ล่ะกี่แสนกี่ล้านะน่ะนบีมุฮัมมัดรับผิดชอบทั้งหมดเห็นไหมอักูอนานะยะไหนที่บอกนบีรับผิดชอบทั้งหมด ว่มาอัสสากัอิลลัฮ์รอหมัตลลินาเลมีเราไม่ได้ส่งน บ, บีมุฮัมมัดมาเพื่ออะไรนอกจากให้มาสอนนำเอาความเมตตาจากอัลลอฮ์เอามาสอนกับคนทั้งหมดบนโลกใบนี้วันนี้น บ, บีเสียชีวิตไปแล้วแล้วหน้าที่ตกไปของใครของพวกเรานี่แหละต้องทำหน้าที่อันนี้ใช่ไหมสซนาอุมัด พระจ้าัสท่านท่านอบูบัครดียวรออลลอฮ์มัมหุนมีคนถามมีคนถามว่าท่านนี่เป็นอลีฟะตัวแทนของอัลลอฮ์ใช่ไหมมาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเขาบอกไม่ใช่ฉันเป็นตัวแทนของนบีมุฮัมมัดเห็นยังครับทำไมไม่กล้าพูดว่าเป็นอลีฟะตุลลอฉัน ไม่ได้เป็นคอลีฟาของอัลลอฮ์นะเพราะมันใหญ่เกินไปฉันนี่เป็นคอลีฟาแทนใครแทนนบี ม, มุฮัมมัดสุลลัลลอออะลีห์ิวะสัลลัมเห็นอย่างครับพูดท่อมตนขนาดหนาครับขนาดเป็นตําแหน่งใหญ่รองลงมาจากนาบีนะพอนบีเสียชีวิตแล้วท่านอบดุลปะเป็นคอลิฟาใช่ไหมมีคนถามว่าท่านเน่ยเป็นคอลีฟาของอัลลอฮ์ใช่ไ้ยบอกไม่ใช่ไม่กล้าด้วยแต่ฉันเป็นคอลีฟาแทนใคร ทำหน้าที่แทนท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลอละลัยยูสัลลัมเห็นไหงครับคนมีความรู้ขนาดนั้นนิสัยดีขนาดนี้แต่ไม่เคยพูดเยื่ยยิงจง้องขอะทอบน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลานี่คืความรู้ที่ผ่านการอ่านฉะนั้นคนที่เป็นมุมลินทั้งหมดทั่วโลกนี่ครับไม่มีใครเยื่ยยิงยิ่งมีความรู้เนี่ยมันยิ่งนอบน้อมยิ่งถ่อมตนฮะรออาบวัตจะพูดจาจานี่ ไม่กลา้าต้องพูดดีอย่างเดียวเลยนะก็นึกถึงใครอ่พระพยานาบีอิบราฮีมเนี่ยมากวันที่นบีอิบรอฮีมเอาลูกชายที่อิสมาอยังเล็กๆอยู่ยังกินนมอยู่เนะี่ยเอาไปปล่อยไว้ที่มักกะปัจจุบันเนี้ยนบีก็เดินกลับพญาถามว่าเอามาปล่อยทําไมเอามาปล่อยทําไมสามสี่ประโยคท่านตอบไม่ได้อ่ะนางก็คนจะพูดพูดผิดแล้วนะ พอถามสับใหม่อัลลอฮ์สั่งมาใช่ไหมเห็นไหมพออัลลอฮ์สั่งมาปั๊บเนี่ยบอกใช่เลยใช่ใช่แล่อัลลอฮ์สั่งมาน้ําก็คิดต่อไงอิซันลายยาดีอาณนาะถ้าอัลลอฮ์สั่งมาให้เอาลูกกับภรรยามาเก็บไว้ทีนี้นี่นะอัลลอฮ์จะไม่ทําลายเห็นยังครับคนขยมกับอัลลอฮ์โ ย, Allah, โยงกับนบีสังงานะไหมล่ะฉะนั้นพระนี่ที่เราอ่านกุรานเราต้องนึก เราเรียนกุรานกันมาตั้งกี่สามสิบห้าสุร้อยแล้วนะได้ข้อเตือนใจอะไรบ้างนิสัยเราเปลี่ยนขึ้นไหมดีขึ้นไหมต้องนึกครับทำด้วยดินแล้วเอาต่อมาครับตกลงว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงตั้งสูเจ้าให้เป็นผู้ปกครองณแผ่นดินนี้ต้องเข้าใจนะแผ่นดินนี้นะที่อื่นอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้พูดนะท่านต้องนึกเราต้องเป็น จะอยู่ตรงไหนของแผ่นดินนี้ได้แม่เราได้สามารถเป็นตัวแทนของของนบีอย่าเป็นตัวแทนของของอัลลอฮ์เลยมันมันหนักเกินไปนะขอล้อีฟวเป็นตัวแทนของใครของนบีมุฮัมมัดฉะนั้นต้องสุ้หน้านบีต้องเรียนได้ไม่เรียนอัลลอฮ์อักบัดถ้าไม่เรียนสุน้หน้านบีจะจะดูแลตัวเองอยังไงอ่ะม่จะดูแลภรรยา ย, ยัางไงอ่ะ และความรู้ของใครลระมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยอย่างที่ที่อเมริกาเราเนี่ยขอแต่นิดนึงนะฆ่ากันเพราะอะไรเพราะผิวใช่มากผิวดำผิวเหลืองทะเลาะ ก, กันเรื่องผิวอย่างเดียวอะ่ะถ้าผู้นำถ้ามีศาสนานิดเดียวนะเดินตามนบีมุฮัมมัดเดินตามซูน่า น, นบีประกาศที่นบีพูดนะลาฟอดกับใบนะอาจจะมียมินวาลาอารอบียินคนอาหรับกับคนไม่ใช่อาหรับ มันจะแตก ต, ต่างกันนะอย่าไปคิดว่าอาหรับปรเป็นเสริฐกว่าคนไม่ใช่อาหรับคิดผิดคนผิวแดงอย่าอยาอย่าคิดว่าประเสริฐกว่าคนผิวดําคนผิวเหลืองผิวขาวอะไรก็ตามแต่ไม่มีใครประเสริอกว่ากันเพราะศีผิวอิลลับิตตักวานอกจากหัวใจที่เกรงกลัวอัลลอฮ์เท่านั้นที่อัลลอฮ์จะมองว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีนี่ทาอเมริกาประกาศแบบนี้นะสงบไหมสงบ จะกล้าประกาศไหมล่ะอ่าก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันเห็นไหมืองไทยก็เหมือนกันสีแดงสีเหลืองระวังให้ดีนะวันหนึ่งก็ต้องขึ้นแน่ๆถ้ายังมีคนกลุ่มหนึ่งยังดูถูกคนชนบทอยู่นะระวังเราจะจัดการทั้งหมดนะั่นแหละฉะ้อย่าดูถูกใครเลยนะทุกคนเท่ากันหมดถ้าจะดีหรือเลวอยู่ที่ไหนตักว่าหัวใจเท่านั้นเองฮัมดูลิละสอสบายไหมนี่คความรู้ที่ผ่านนับีุลเบิเป็นอย่างนี้แหละ ถึงมั้บกันบอกว่าฉันเป็นคอลีฟ้าแทนที่ัวามามต่อมาครับฟามังกาฟาร์ฟ้อะไรกูฟรูฟ้าแปลว่าดังนั้นมันแปลว่าผู้ใดกาฟารอปฏิเสธผู้ใดที่ปฏิเสธทำไมมาพูดถึงเรื่องคอรีฟ้าและพูดถึงปฏิเสธเพราะคอรีฟ้าบางคนเอาอิสลามมาใช้ บางคนเอาเอามาใช่ไหมยอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในอเมริกาอาลอลางบ่อบบยใครที่ไม่เอาหลักการการปกครองคนมาใช้ผ่านอบีมุฮัมมัดเอามาปกครองคนนี่นะอล๋อด้ปกครองรูปบ้านเราเนี่ยถ้าไม่เอาหลักการอิสลามมานะทะเลาะกันหมดเลยนะ่ะทะเลาะกันหมดแล้วพ่อกะะัตศิลป์ไม่ถูกู้จะทําไงวันเอ้ยมีหลายคนโทรศัพท์มาปรึกษา เรื่องนั่นเรื่องนี้ก็เรื่องครอบครัวหมดน่ะทศก็แนะนำอิสลามทำอย่างนี้นะอิสลามทำอย่างนี้นะพร้ออิสลามไปแก้นะแก้หมดเลยนะฮามุลิลลามีบรากาศจากชั้นฟ้าลงมาต่อมานะฟามังกาฟาโรแบบผู้ใดที่ปฏิเสธหลักการที่อัลลอฮ์สมงผ่านนาบีฟาอะไรกูฟรุการปฏิเสธของเขาก็ตกอยู่กับตัวเขาเองคนอื่น ถึงไม้มไม่ถึงเห็นถ้าพ่อไม่เอ า, าศาสนาพ่อการไม่เอ า, าศาสนาก็ตกอยู่กับพ่อถ้าลูกไม่เอ า, าศาสนาความผิดก็ตกอยู่กับลูกจะนี่มีคนถามว่าลูกฉันเนี่ยดือ้อพ่อเนี่ยบาปไหมแม่ผิดไหมถ้ากว่าพ่อเนี่ยสอนแม่สอนความผิดไม่ถึงพ่อแม่ แต่ถาว่าพ่อไม่สอนแม่ไม่สอนความผิดของลูกตกทุกพ่อแม่ด้วยเห็นอย่างครับนี่นบีมุฮัมมัดอธิบายเห็นอย่างการฉะนั้ น, มม น, น, นใครที่ปฏิเสธหลักการอิสลามนะทุกหมดทุกคนเนี่ยอลอลเล่นงานหมดเลยนะแต่ทําไมไม่เล่นตอนนี้อลอลประวิงเวลาเอาไว้อา้าเอาไปประวิงประวิงประวิงประวิงไอประวิงเี่ยดีได้ไม่ดี ดีสิเพื่อจะจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองจะแต่หัรมาเรียนาศาสนาอย่างนี้เป็นต้นประวิงดีได้ไหมดีดีนะครับเอาต่อมาครับ ว, ว่าลาแปลว่าไม่ยาซีดูแปลว่าเพิ่มพูนไม่ได้เพิ่มพูนอะไรอัลกาฟิรินกับผู้ปฏิเสธทั้งหลายเห็นยังครับในคุรานอธิบายชาัดเลยนะ คนปฏิเสธทั้งหลายนั้นจะไม่ได้เพิ่มพูนอะไรกุฟรูฮุมการปฏิเสธของเขาอินดรอบบิฮิมในทัศนะของพระผู้อาภิบาลของเขาอิลมักตานอกจากการเกลียดชังเห็นอย่างนี่เลาเล่าให้เราฟังเล่าให้นบีฟังให้นบีไปสอนสอนใครสอนอาหรับมั ก, ก้า แครับฉะนั้นคนกาเฟตคนมุชริคไม่เหมือนกันนะต้องเข้าใจด้วยนะคนกาเฟตเนี่ปฏิเสธอีมานหข้อหมดเลยแล้วก็ลุกลือิสลามอีก5ข้อปฏิเสธหมดนะครับกาเฟตนะส่วนมุชริคคนตั้งภาคีเนี่ยเชื่อว่าอัลลอ์มีเชื่อว่าอัลลอ์เนี่ยสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างมนุษย์ รู้เข้าใจแต่เวลาขอเนี่ยไปขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เรียวกว่ามุสลิมเห็นยังครับฉะนั้นพวกเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยเชื่ออนะัลลอฮ์น่ะเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินเชื่อไหมเชื่อแต่เวลาจะแต่งงานเนี่ยไปหาหมอดูนี่มุสลิกไปหาโตตะกียไปหาโตระยองเอาอาซิมัตมาผูกนู้นผูกนี่แสดงไอ้เป็นมุสลิกนะ นี่ไม่มีใครกล้าพูดนะโคตรจะถูกดา่านะเอาวันนี้ก็ต้องต้องพูดกันแล้วล่ะนะคนกาเฟตกับมูชริกนะ่ะไม่เหมือนกันในพิใ น, นการพิกุจอ่านพูดมูชริกกับกาเฟตไม่เหมือนกันครับคนกาเฟตก็คือคนปฏิเสธอัลลอฮ์รอยสูง إيمان หข้อไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นใช่ไหมตายแล้วตายเลยแล้วก็รุกลอิสลามอีกหข้อนี่ไม่ไม่นมาด้วยนะ่นปฏิเสธกาเฟตชัดเจน แต่มุสริกเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์ น, ะน่ะมีแต่เวลาเขาขอเขาไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์ตรงๆขอสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ด้วยอย่างพวกเราวันนี้เป็นมุสลิมนะนามาท่าหเวลานี่แหละแต่เวลามีปัญหาเดือดร้อนไปหาหมอดูไปหาตอรกียใช่ไหมนี่เราเป็นมุสริกนะอัลลอฮ์ไม่เรียกมุสลิมนะเรียกมุสริกแต่เรายังเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นมุสลิมอยู่นะ แต่จากกุรานจริงๆก็ไม่ให้เรียกนะเรียกคนมุชลิกคนตั้งภาคีคนหลายใจเอาเอาัลลอฮ์ด้วยเอาตัวตะเกียด้วยเอาตัวระยองด้วยเอาหมอดูด้วยเอาหมอผีด้วยระวังแต่ถ้าเวลาเลิกต้องเลิกให้หมดเอาอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นถึงจะเป็นมุสลิมผู้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์สุบฮ า, านาอูบะตาลาตัวร้งว่าคนกาเฟ จะไม่เพิ่มอะไรแก่พวกเขานอกจากความอะไรมักตาการเ ก, ก, รกเเนะรล o, เกียดชังจากใครนึกเองต่อยอดเองนะครับและอัลลอฮ์เกลียดชังทําไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษอธิบายได้ไหมอัลลอฮ์ o, ประวินเวลาเอาไว้เพราะนบีมุฮัมมัดขอดูอาอย่าเพิ่งลงโทษนะอัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งลงโทษบาปของฉันบาปอัลลอฮ์ที่เป็นอุมม่าของฉันเนี่ยที่เขายังไม่เอาอิสลามเนะี่ยอย่าเพิ่งลงโทษนะ ประเวงเวลาให้เขาได้เรียนให้หันได้กลับมาเรียนอิสลามมาแก้ไขมาปรับภูมิมาตอบาตรตัวเอาต่อมาครับวะลายาซีดุลกาฟิรีนะกุฟรูฮมและไม่ได้เพิ่มภูนอะไรแก่พวกปฏิเสธนะครับของพวกเขานั้นอิลลัคซารอนอกจาก การขาดทุนอาญานี้พูดสองครั้งเห็นอย่างครับเตือนคนกาเฟ่เปลี่ยนนิสัยได้แล้วอย่าแอนตี้อิสลามอย่าแอนตี้อัลลอ์อย่าแ อ, า Allah, อา nah, นตี้สุนนะนบีอย่าฆ่าพี่น้อง ม, มุสลิมเลิกซะถ้าไม่เลิกอัลละ์เา ล, า, ลาเองนะเองได้สองอย่างหนึ่งการเกลียดชังจากอัลลอ์สองคุณขาดทุนเองทั้งโลกดุนยาและโลกอาขยร มีคนถามผมโทรศัพท์มาทำไมมุสลิมไม่รวยอ่ะคนกาฟเฟตทำไมตังเยอะว่าอธิบายอยางี่อินนั่ลลอฮฺให้ยัฟซุตุลริสกอลีมัยยะชะอัลลอฮฺเนี่ยแพร่ริสกีให้กับผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ไม่ได้พูดว่าให้กับมุสลิมไม่ใช่ให้แก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ใช่ไหม อย่างกอรุณอัลลอฮ์ให้ใช่มแล้วเอาเอาอิสลามไหมไม่เอาฮามานเอาอิสลามไหมไม่เอาฟาโรเอาอิสลามไหมให้อำนาจให้เป็นผู้ปกครองเป็นคอรฟรัปชนะบนแผ่นดินเนี่ยแต่ทยวัดปาทายดแล้วก็อย่าเข้าใจว่าถ้ามีสตังแล้วอัลลอ์ให้รวยแล้วอลัลลอฮ์รักคนมีสตังเข้าใจถูกหรือผิดผิดไม่เกี่ยวอลัลลอฮ์จะให้ใครก็ได้ อย่ามองว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยมีที่ห้าสิบร่ยังไม่ได้ขายเลยอัลลอฮ์รักฉันใครบอกคุณเ <c oughs> ร า, า, เาไม่จ่ายสกาดดูสิอ้าเราไม่จ่ายโซเดกอดูสิเราไม่นำมาดูสิฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์เลือกบนโลกดุนยาเบนี้ก็คือคนที่มีอีมานนี่แหละอัลลอฮ์ Allah รักไม่ใช่รักคนมีสตังไม่ใช่รักคนมีอำนาจไม่ใช่รักคนมีชื่อเสียงแต่อัลลอฮ์รักใคร แักคนที่มีอีมานต่ออัลลอสุบฮฺฮาอัลลอฮ์เลือกคนคนนี้มาให้ทําหน้าที่งานศาสนาของ Allah, นะอัลลอฮสุบฮานะหูวะตาลาะโอ้พี่น้องครับเอาต่อมาครับคำว่าคอรีฟ้าท่านท่านกอตาดับ ไ, ได้พูดว่าคอรีฟา้าแปลว่าผู้ปกครองหลังจากคนนี้เสียชีวิตไปเขาก็เลือกกันมาใหม่มาเป็นผู้นำต่อใช่ไหม อย่างน บ, บีมะมัดพอเสียชีวิตแล้วก็เลือกท่านอบูบากท่านอูบากเสียชีวิตจนแล้วก็เลือกท่านสซนาอุ ม, มัดมาทำหน้าที่รับผิดชอบเรียกว่าคอลีฟะนะเอาต่อมาครับต่อมาครับอายาเท่าไหร่นะอายาที่สี่สิบคุลละอร่อยตุม ش ر ا أ ش أ آ ك أ َ ك م الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوم في السماوات أم آ ت ي ن ا ه م كتاب َ ه م على بيانة من بل أي يعدوا ظالمون بعضهم بعضا إلّا غرورا الله أكبر قل أرأيتم شركاكم الذين تدعون َ من ِ دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركم في السماوات أم أتيناهم كتاب فهم على ب ي ا ن ة ت من بل إي يعد الظالمون بعضهم بعضا بعضهم بعضا إلا غرورا ل ح م د لله الحمد لله อันนี sinners, ้ต <o of sau> ้องการจะอธิบายว่าคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ เคยเห็นไหมว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณบูชาเนี่ยนะเนะจวเวทที่คุณบูชาที่คุณกราบอยู่เนี่ยพวกนี้มันเคยสร้างอะไรบนดุนยาไหมเคยสร้างคนสักคนหนึ่งไหมเคยสร้างยินไหมนี่เอาเราถามนันกพีระนาเคยสร้างกป่าดีหรือไม่ดีอ่าทําให้เราฉลาดขึ้นนะอา่าเอาดูสับรับ กุลมุเออจงจงสอนจงประกาศจงดะะอรอตุมอรอยตุ ม, ตมพวกท่านเนี่ยได้เห็นเคยเห็นไหมุล อ, อรอตุมพวกท่านเน่เคยเห็นไหมละ่ะชรอกชูรอ ก, กอกุมเจวเวทที่พวกท่านตาเดานะวิงวอนขออยู่ เคยสังเกตไหมเคยเห็นไหมเจวเวทที่พวกท่านขอวิงวอนที่กราบเนี่ยจะอยู่ในไหนก็ตามบนโลกบนี้เนี่ยนะนี่เข้าหมดเลยนะคนที่มีอัลลอฮ์น่ะไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์เนี่ยอัลลอ์ถามนากักบิกรลานให้นาบีมาสอนสิ่งที่คุณกราบเจวเวทอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยนะเขาเนี่ย อรูนีมาดาคอลากูจงสแสดงให้ฉันเห็นสิมาดาคอลากูมีนอล้อดีพวกมันเนี่ยได้สร้างอะไรบนแผ่นดินนี้จวเวทที่คุณกราบอยู่น่ยมันสร้างอะไรบ้างบนแผ่นดินของอัลลอฮ์นี้เอามาสักอย่างนึงได้ไหมมีใครทําบ้างนะไม่มีใครกล้าสแสดงสักคนหนึ่ง สร้างมแล้วเมืวันตัวหนึ่งได้มาเนี่ยฉันสร้างเองนะไอ้ไที่สร้างเองเนี่ยมีชื่อมุลแล้วนะทุกวันเนี้โทรศัพท์มีคนมีมีชาติใช่ไหมในยุคหอมีแล้วนะเห็นไหมมีอะไรบ้างอที่มาจากอัลลอฮ์นะที่สร้างเองว่าเท่าเหมือนอัลลอฮ์นะมีใครกล้าทําสักคนนึงนะเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเลยนะนี่อัลลอฮ์เตือนดังกระเพื่อมกุณาณะฉั้งว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่คืออัลลอฮ์เอาต่อมาครับ อัมลาหุมสิรุกุมฟิสสามารหรือว่ามีหุ้นส่วนสิรุกุลแปว่ามีหุ้นส่วนในการสร้างชั้นฟ้าน่ะเอาออกมาให้ให้ดูหน่อยจวเวิตที่บุคุลกราบอยู่นั่นน่ะมีหุ้นส่วนในการสร้างชั้นฟ้าไหมเอาดาวสักดวงหนึ่งได้ไหมเอาลงม า, าดาวเนี่ยฉันเ็คนสร้างเองเอาล้อไม่เกี่ยวเอาลงมา อลานี่ที่เราสังเกตอยูนะชื่อลมใช่ไหมชู่พายุที่มาเนี่ยนี่ชื่อพายุนะเป็นคนคนพบก่อนพายุลูกนี้จะมาไอพายุนะมาจากอลาใช่ไหมแต่มาตั้งชื่อเป็นของมนุษย์ก็ตั้งไป <c oughs> จะจะเรียกง่ายหน่อยใช่ไหม อ, อย่างนี้เป็นต้นแต่หุ้นส่วนในการสร้างมีหมไม่มีเลยครับ คุณส่วนยังอื่นพอมีแต่หุนส่วนในการสร้างเหม่มีเนี่ยอลัลลอฮ์ถามกับ น, บ, นบีให้นบีมาสอนคนอารักที่แอนตี้อลัลลอฮ์แอนตี้นบีแอนตี้สุนนะนาบีเนี่ยเอาออกมาให้ดูสักหน่อยสิว่าเจาเวตตอานั้นมาสร้างอะไรบ้างบนโลกใบ น, นี้อรูนีแสดงให้ฉันเห็นหน่อยอรูนีสักดิ์คนี้ดีมากเลยนะอรูนีเอาออกมาแสดงให้ฉันเห็นหน่อยอลัลลอฮฺอักบาร ต่อมาครับอัมอาจายนาหุมกิตาบาหรือว่าเราได้ประทานคำพีกแก่พวกมันมีอยายะกุรานตรงไหนบ้างในใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในคุรานที่ว่าอนุญาตให้คนเหล่านี้มีอำนาจ่ะมีไหมเอากุรานมาสักอยายะหนึ่ง6ก0 0กว่าอยายะเนี่ยเอามาสักอยายะหนึ่งได้ไหม อลาบายฟะฮูมอลาบายยินอตินพวกมันจึงมั่นอยู่บนหลักฐานทั้งหลายทำไมต้องยึดรูปจเวตยึดจเวตเนี่ยกราบมาตั้งกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วทำไมไม่ยอมเลิกกันเลยมีหลักฐานตรงไหนไหมจากค้อคำพีคุณอานเนี่ยที่ได้ยึดมัน่นฉันจะอะไรนะจะกราบจนกว่าจะตายเนะี่ย เอาหลักฐานมาสักอายาหนึ่งได้ไหมมีไหมจากคัมภีรคุรอ่านก็อนิ้ทามาตั้ง1ันสี่ร้อยปีแล้วล่ะก็ยังมีใครทำทำได้สักคนหนึ่งใช่หัหยต่อมาครับบัลไม่ใช่เป็นเช่นนั้นดอกออยาอิดุลลอลิมูลลออเลมแปลว่าพวกอาธรรมทั้งหลายนั่นอะ ไม่ได้สัญญาอะไรไว้เลยบ่ดูฮุมบ่าวอสัญญาซึ่งกันและกันต่างกันต่างสัญญาซึ่งไม่ได้สัญญาอะไรกันไว้เลยอิลกูรูรอนอกจากการหลอกลวงเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ในการในการสร้างสักห น, นหนึง ไม่มีไม่ได้ร่วมกับอัลลอ์ในการสร้างสักชิ้นหนึ่งหรือว่าอัลลอฮ์ส่งหลักการมามีคำพิพาก่าในยาตไหนบ้างที่บอกว่าคุณมีสิทธิ์ให้กราบสิ่งนั้นแล้วก็มั่นอยู่กับการกราบเร็วกว่าจะตายนะ่ะใครบอกคุณมีหลักฐานตรงไหนมีสัญญาในไรบอกไหมไม่มีครับอัลลอต์ตอบว่าไงทำไมอยากให้ดูลอริมูนพวกอาธรรมนั่นแหละไม่ได้สัญญาอะไรกันไว้เลยสักข้อหนึ่ง เมื่อสัญญากเมื่อสัญญาไม่มีเป็นไรครับซึ่งกันและกันอิลลากูรู้รอนอกจากการหลอกลวงเท่านั้นเดงนนี่ก็หลอกกันไปหลอกลอ ก, อกันมาอยู่บลดุนยาไปนีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องตกลงว่าอยายะนี้เตือนนะครับบอกว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนเวลาไปขอไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทไม สิ่งอื่นเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้แม้แต่นิดเดียวนี่พูดเรื่องนี้นะ่ะไม่รู้ว่ากี่ร้อยอาญามาแล้วใช่หรือไม่ใ ช, ใช่ที่เราอ่านตำซสดมาเนี่ยพูดเรื่องยาเคารพสิ่งอื่นนอกจาก Allah, อัลลอฮฺยากราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺให้กราบอัลลอฮฺองเดียวนะี่พูดย้ําไปย้ ม, มาเพราะเป็นอารติดาที่สําคัญที่สุ ด, All o, ดอัลลอฮฺเห็นอย่างครับอาทีนี้ คนที่นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนี่พูดถึงเรื่องกลุ่มเอาเอาเอากลุ่มมุมินบ้างนะนกลุ่มกลุมกลุ่มกลุมกลุ่มกาเฟสใช่ไหมกลุ่มกาเฟสเนี่ยหนึ่งเพิ่มความเกลียจชังสองเพิ่มการขาดทุนสามกูรูรออยู่ในการหลอกลวงเห็เนไ้มสองอายาที่ผ่านมานะแต่นี่มาดูมุมินบ้างมุมินทําอะไรครับมุมินเนี่ยอย่าเอานิสัยคนกาเฟสมาใช้ ในอายะอื่นนะอธิบายตรงนี้เช่นอะไรบ้างคนกาเฟตเนี่ยในจากหนังสือลาตาฮันหน้าที่408เนี่ยท่านพูดดีนะก็บอกว่ามุม um ิเนี่ยให้นึกถึงนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆให้กล่าวอิสติกฟาร์เยอะๆกล่าวว่าไงนะอัสตัฟิรุลลอคนกาเฟตไม่ได้กล่าวเลยนะวันๆหนึ่งนะฉันขออภัยโทษต่ออัลลอ์เนี่ยคนกาเฟตไมเคยออกจาริมฟีปา ก, กเลยนะ แต่มุมินต้องออกจากริมฟิปากเราสมมัมเสมอก้าวว่างนะอัสตัฟฟิรุลออัสตัฟฟิรุลออัสตัฟฟิรุลออิหม่ามอิบุไตมิย์เป็นงหัวหนา้าเขาเป็นคนที่มีความรู้เอาซุนา่นานะเบียมาสอนเนี่ยที่พวกเราด่าเขานะ่ะอิบุไตมิย์เนี่ยอนุญาตในข่าได้บางคนน่ะพูดออกทีวีให้ข่าอิบุัตมิยา อิบตามานะเนี่ยเขาเอาความรู้จากอัลลอฮ์ผ่านนบีมาสอนเนี่ยไปด่าเข้ามาน้อูบิลเลาะห์ิมินซาลิกท่านอิหม่ามอิบตามยา่าอธิบายอย่างนี้นะครับว่าคนที่กล่าวอิสติกฟาตอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยหนึ่งริสกีเพิ่มข้อที่สองอะไรเพิ่มได้ไหมความรู้เพิ่มอันยั ง, ยงข้อที่สาพี่น้องครับเอ่ออัลลอฮ์จะขจัดความอะไรนะเรียกว่าความวุ่นวายทางใจ ข้อที่4นะครับอลัลลอ์จะให้ลูกหลานเพิ่มขึ้นกาวอิสติฟารเยอะๆเนี่ยข้อที่ห้าอัลลอ์จะกระจัดความผิดออกไปข้อที่หอลัลลอ์จะให้ความยากยากเนี่ยกลายเป็นสะดวกหมดเลยแล้วก็ข้อที่นะมีมันห 7, เจ็ดกหข้อด้วยกันฉะนั้นอิสติฟารเนี่ยซึ่งคนกาเฟตไม่เคยไม่เคยขออภัยโทษต่อร้อนเลยก็มองดูนักการเมืองกม น, นี มันกน็เรียนกันไปเรียนกันมาด่ากันไปกันด่ากันมามีใครพูดว่าฉันขออาพยโทษต่อรอฉันทําผิดมีไหมไม่มีครับนอกจากผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นทีนี้อิสติฟาร์าเนี่ยมัต้องกล่าวทุกวันนะไม่ใช่กล่าวหลังนมาดอัสตักฟิรุลลอห์สามครั้งใช่ไหมและบางคนไม่ได้นมาดเลยก็ไม่ได้กล่าวฉะนั้นมุมินต้องกล่าวคํานี้จะเป็นหลังนมาด หรือว่าก่อนมาหรือตอนเช้าหรือตอนเย็นให้กล่าวอิสติกฟาสเสมอๆและทำจนลื่นละอัลลอฮอัลกบะร์ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องอัตวะมาอัจจีสิสุเบอินลอฮฺยุมซิกุสมาวะติวัลอาร์อันตะจูละวัลอินจาลัตาอินอัมสักฮุมา من ่ ح อะฮัดิมิ่มบาดิอินหุแคนะฮลิมัน ل ฟูรออินนัลลอฮฺย س มซิَุสส و มมาวะติวัลอาร์ดิอันท๊ะจูละวะลาอิน ل َ ت َ อินอมสักหุมามินอฮัดิมมิบัดีอินน้าวูคารลิมันอัฟูรออัลลอฮุอัยฮิวะัยฮุลลนี่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮมีศับอยู่นะเนี่ยุมสิกอ่ายุมสิกเนี่ยท่องเลยนะยุมสิกแปลว่ายึดยึด ถือจับยึดถือจับไม่ให้มันร่วงไม่ให้มันลนยุมสิกแล้วก็อันตาจูลาตาจูลาแปลว่าออกจากออกจากวิถีออกจากเส้นออกจากวิถีออกมาไม่ให้ร่วงลงมาจากอะไรนะ เช่นอลัลลอฮ์จับแผ่นดินไว้จับชั้นฟ้าอาไว้ไม่ให้มันเลื่อนอ่เนี่ยโลกกับชั้นฟ้าเนี่ยห่างกันเท่าไหร่เนี่ยที่มันไม่เลื่อนออกจากวิถีของมันเนี่ยใครเป็นผู้ดูแลเนี่ยอลัลลอฮ์สอนให้กับนบีให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้ว่าอลัลลอฮ์ดูแลอยู่กี่พันปีมาแล้วล่ะทําไมดวงอาทิตย์วันนี้กับดวงจันทร์ กับแผ่นดินนะ่ะทำไมมันอยู่อย่างนี้มาตลอดเนะี่ยใครจับมันไว้ล่ะถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเข้าใกล้โลกมานิดหนึ่งอยู่ไปอยู่ไปจะมามันเลื่อนเลื่อนจากวิถีของมันมาสักมาสักมาสักสักสองหนึ่งอนะหรือวานึงอนะโลกนี่เป็นไฟอนะหรือว่ามันถอยไปห่างไปนิดหนึ่งอนะมนุษย์อยู่บนโลกไปนี่นะหนาวตายนะ เนี่ยใครเป็นผู้เนี่ยคอนโทรลดูแลจับเอาไว้ไม่ให้มันเลื่อนออกจากวงจรที่อัลลอก์กำหนดเอาไว้เห็นยังรครับนี่สอนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอาดูศับ์ครับอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงยึดอัสมาวาชันฟาทาังหลายใช่ไถึงเจ็ดชั้นน่ะใไหมอ่าแล้วก็วัลอาตีแล้วก็แผ่นดินแผ่นดินก็เจ็ด เจ็ดเจชั้นเหมือนกันใครเนี่ยจับมันไว้ให้ยึดมันไว้ไม่ให้มันโคจรออกจากวิถีที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้ถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนนานักวิทยาศาสตร์ก็งงอีกอันนี้เปลี่ยนไปแล้วยังไงนี่ไม่ได้เปลี่ยนมาเลยกี่ปีมาแล้วแต่อัลลอฮ์เวลาเราจะเปลี่ยนร้อนละนักอภิรรมอักุรอานนะดวงอาทิตย์ะมีทางขึ้นอยู่สองสองทางนั่นมีอยู่ใช่ไหมหน้าร้อนกับหน้าหนาวมันมีใช่ไหมล่ะหางกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่อัลลอฮ์บอกเองเลย ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เห่มไหมล่ะนี่อัลลอฮ์เล่ากับพี่กอานอันไหนที่อลัลลอฮ์บอกว่าฉันจับเอาไว้ยึดไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงอยายนิโคจรตามวิถีก็มันถ้าเลื่อนไปนิดนึงโอ้โหอากาศหนาวมาร้อนเอาเข้ามาน็ดนึงไหมหมดเลยตายหมดเนี่ยอัลล์กนกีูอ่านให้ใช่ปัญญานึกถึงอลัลลอ์เยอะ ว่วาอิว่ไดอินซาลาตาแล้วถ้ามันเหนไปซาลาตาบอกว่าเห่ไปนิดนึงอินอัมสักหูมาก็ไม่มีผู้ใดยึดมันไว้เนี่ยล้อเล่าเองนะถ้ามันเห่ไปจะใครจะดึงกลับมาล่ะเ <c oughs> อาสปิลเลอร์เห็นไหมยังทรยศต่อร้อย อ, อีกหรือนี่เอาล้อสอนหมดเลยเห็นไหมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แผ่นดิน ที่มันเห่ไปนิดนึงถ้าเห่ใครจะดึงกลับมาอยู่ในที่เดิมไม่มีใครหรอกครับพี่น้องมิมบารีหลังจากหลังจากนั้นเห่ไปแล้วเนี่ยใครจะดึงกลับมาไม่มีใครดึงครับเห็นอย่างกับนี่เป็นความสามารถของกายเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาอัลาพูดถึงเรื่องอะไรจักรวาลแผ่นดินชั้นฟ้า ทำไมโคโจรอย่างนี้มาตลอดกี่พันปีมาแล้วใช่ไหมทำไมไม่ร้อนกว่านี้แต่แผ่นดินนี่มันร้อนขึ้นนะไอ้ที่ร้อนเนี่ยมัใช่ม่ใ ช, ม ใ, ชมใช่โลกอยู่ห่างอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่เพราะเราสร้างอาคารที่ทำมาจากปูนเยอะเกินไปถ้าสร้างเป็นไม้นะไม้ก็หมดปลาอกีกใช่ไหมล่ะมันก็ร้อนอกีกเห็นยังครับเนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺอัอลออลอฮฺเล่าให้ฟังหมดเลย โลกกับดวงอาทิตย์โลกกับแผ่นดินเนี่ยที่มันอยู่อย่างนี้มาตลอดเนี่ยไม่เหตออกจากแกนของมันนะ่ะใครเป็นผู้จับมันไว้นี่คือความสามารถมุสลิมต้องคิดมุมินต้องคิดนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับอินนูกะนะฮะลิมันอาฟูรแท้จริงอัลลอเป็นผู้ฮะลีมแปลว่าอดทนขันติ อัลลอฮ์อดทนนะทำไมพูดเรื่องขันติอดทนตรงนี้เพราะคนที่ด่าอัลลอฮ์มีไหมคนที่ด่านบีมีไหมมีคนที่ด่าซุนนะนบีมีไหมมีคนที่ฝืนคําสั่งอัลลอฮ์เยอะแยะไปหมดนะมีไหมมีแต่ทําไมอัลลอฮ์ไม่เล่นงานไม่ลงโทษอะไรไปนองนี่ไงสิฟธัดฮาริมันอัลลอฮ์ทรงอดทนทรงขันติ เรามุมมินที่ไม่นะมาดมีไหมมีทำไมไม่เล่นงานอะ่ะยังให้อาหารเหมือนเดิมให้ริสกีเหมือนเดิมได้ไหมนี่ถ้าถ้าเราอะปัญหารอย่างงี้เราเลิกแล้วโอ้เลิกไปนานแล้วไานี้กอดขนาด น, นักเรียนทําผียังไล่ออกมาเห็นเหรอ <laughs> อยู่กับภรรยาไม่ได้ต้องเลิกกันนะเพราะอย่างงี้เนะี่เองนี่ไม่เชื่อเนี่ยดันทุรังท้ทยศ์แต่อลัลลอฮ์เนี่ยใครจะ ด่าอ ar ัลลอฮ์ชิริกต่ออ h ลลอฮ์ a ันนานๆก็ตามอัลอฮมันยังอดทนยังให้อภัยอยู่นะต่อมาครับกวฟูโรผู้ทรงอภัยเสมออัลลออับัอนานี้เป็นต้นนะครับพี่น้องคางว่าฮาิมันเนี่ยอธิบายอย่างนี้นะครับอัลลอ์เนี่ย อยู่อัจจิลประวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษอัลลอฮฺอักบาร์เวลาอยู่อัจจินไม่รีบลงโทษคนที่ทําความผิดแต่ประวิงเวลาเพื่อให้เขาได้เตาบ้าตัวดีได้ไม่ดีแต่บาตัวทําไงหนึ่งเสียใจยในความผิดที่ทำมาตบ้าสิอัลลอฮฺอภัยเลยอคนที่ไม่เคยนมาทันมานมาสาธาตะประาวอัสตางฟิรุลลยอยเยอะๆดีได้ไมด่ดีดีหมดครับทมดลเลย เอาต่อมาอายาสุดท้ายอายานี้ต้องการจะสอนว่าพูดดีแต่ไม่ทําพูดดีอย่างเดียวไม่ทําชอบสาบานพูดถึงสาบานเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยในคุณอ่นานอธิบายอย่างนี้นะมีอยู่คนหนึ่งมาหาท่านนาบีตอนจนจน ตอนจนมาหาท่านนาบีถามหาอนี้นบีข้ามุฮัมมัดสูลตันอัลลอฮ์ขอดุอาให้ฉันรวยหน่อยสิเมื่อฉันรวยแล้วฉันจะบริจาคงานาศาสนาของอัลลอฮ์นั่นแหละมาหานาบีหลายครั้งนบีบอกนี่อยู่อย่างนี้แหละนะมาหานาบีหลายครั้งแล้วก็พูดดีนะถ้าหาฉันมีสตางมีริสกีเพิ่ม งานศาสนาของท่านฉันจะช่วยเอาริสกีให้จะเอาเงินให้อับบีก็อ้อนวอนอ บ, บีหลายครั้งอ บ, บีขอดัวาโอ้อรรค์ขอให้ชายคนนี้รวยก็รวยจริงๆคนนี้ชื่อสะระบะครด้ยินใช่ไหมเลี้ยงแพะอ่าพออับบีขอตัวมาพับจากแพะพันตัวกลายจากแพะร้อยตัวเป็น สามร้อยสี่รอยห้ารอเพิ่มขึ้นขึ้นขึ้นแบบไวๆเลยไงนะอพยพจากในเมืองไปอยู่นอกเมืองขยบไปขยบไปจขยบไปไปอยู่กลางทุ่งกลางนาพราะแพะมันเยอะนมาศไม่มาแล้วสุราไม่มาแล้วเห็นไหมนี่สาบานพูดจาดีแต่ทําไม่ได้อายานิเตือน ว่าอัคโคِามูบิลลาَิจัดอั ي มานิฮิมลาอินจาอุมน ا ِ ي ر ลาญักุนุนนะอหดามิอิ حدالأمم ف ل م ا ج أ ه ُ م ْ ن ذ ِ ي, ى ر มา زادهم إلا نفورا فلما جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا و ا, ا, إ, ا ق س َ م و ا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءهم نذير لا يقولون לא يكونون أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما, ما زادهم إلا نفورا. ฮัมดูลิละเรื่องอักติต่ออิสลามเนี่ยอัลลอฮ์อักติต่ออิสลามแล้วก็แปกนะ ของอัลลอ์เนี่ยอคติหมดเลยนะมรดกแบ่งไม่ได้มันต้องแบ่งตามตา ม, ตามขึ้นศาทลทะเลาะกันของอัลลอฮ์ง่ายๆแต่ไม่ไม่ยอมทำกันเห็นไหมสังเกตง่ายๆนะว่าอักซามูและพวกเขาชาวมักกะอ่าอย่าไปอุ่มกุมเอินกุน่มมักกะยังเดียวอัลลอ์เล่าถึงมักกะนะ เอาไปไว้กับตัวเองได้ไหมได้เอาไปไว้กับประเทศไหนได้ไหมได้ทั้งหมดนั่นแหละนี่เล่านะเฉพาะชาวมักกะที่แอนตีน้นบีที่ด่านาบีที่วางแผนทําลายนาบีแล้วก็ดา่าอัลลอฮ์ด้วยเนี่ยว่าอักซามูบินเลหีพวกเขาชาวมักกะที่บูชาเจวิตสบดหรือว่าสาบานอ่าอักซามูคําว่าสาบานะมีมานานแล้วนะ ตั้งแต่สมัยนบีใช่ไชอบสาบานนะฉันขอสาบานบ่นสารสาบานต่อคำพีกุรานแต่ความจริงเ็าห้ามนะต้องสาบานต่ออัลลอ์อย่างเดียววะอักษโมบิลลัยนี่อัลลอ์เล่าให้นบีฟังนะมาเลยชาวมักกะนี่มัน ม, ม, ม, ม, มีมีอยู่มีอยู่วิธีนึงนะมันชอบสาบานแต่เองก็อย่าอย่ า, ยาไปหลงเชื่อมันเยอะนะนะ คนซาบานเเงเก่งในระวังไงดีนะฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ไอ้โกหกแล้วตอแหลแล้วและพวกเขาชาวมักกะบูชาเจาเวิเนี่ยชอบสาบดชอบสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์บิลลายไอ้ไหมคนเห็นเฮาคนนี้เก่งน่าดูเลยซาบานต่ออัลลอฮ์ซาบานถูกด้วยนะสาบานต่ออัลลอฮ์ไม่สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่าห้ามเด็ดเลยแหละ <S <S <S จัดอะไมานิมจาดอแปลว่า แข็งแข็งแล้วก็ไอมาในหิมสาบานของพวกเขาเอาล่อเป็นการสาบานที่แข็งที่แข็งที่แข็งที่เกร ง, ท, กรงที่มั่นคงสาบานแบบมั่นคงเลยฉันโคสาบานต่อเอาล็อกจริงๆอย่างนี้เป็นต้นถท่า ท, ทําท่าสแสดงตัวด้วยนะระวังหนะ้าเนี่ยเอาล่อบอกกันนบะีนะพวกอาหรับชาวมักกะนี่นะมันจะมาสาบาน ตัวนาสาบาลแบบไ เ, เข้มแข็งเลยนะีอย่าเชื่อเยอะนะต้องการเตือนผู้เราด้วยนะละอินเจอาหุมถ้าหากมายังพวกเขานี่ซาบาลว่าถ้าหากมันได้มายังพวกเขานาซีรุนผู้ตักเตือนเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เราพูดเรื่องนาซีใช่ไหม คนที่มาตักเตือนนะ่ะมีอยู่สามหนึ่งนบีใช่หรือไม่ใช่ที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่มาเตือนนะข้อที่สองนบีไม่มีส่งใครมาแทนตัวแทนนบีคืออาเลมอัลละมาเรียกว่านาซีอาเลมอัลละมาอยู่ตามหมู่บ้านทั่วโลกใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องที่สามครั้งว่านาซีเนี่ยผมเสียอะไรผมงอก นาซีตนะน่ะเห็นยังครับในคุณอาสอนละเอียดยิบเลยนะผมงอกบนศรีรษะของพวกเรานะั่นนั่นเป็นข้อเตือนนะนะแล้วก็มีการตายอุลมามะพูดนะการตายการการเจ็บการป่วยแข็งแรงเกิดขึ้นนี่ก็เป็นนาซีตอีกเป็นข้อเป็นผู้ตักเตือนมหาท่านสี่รายการหนึ่งมีนบีมาสองมีตัวแทนนบีมา สามมีผมงอกบนศรีรษะสี่มีนุ่นมีนี่มีรวยมีจนมีตายมีเกิดนี่เป็นนฤมิตหมดเลยนะเป็นข้อเป็นผู้ตักเตือนลยายกูนุนนะอาดาถ้าได้มีผู้ตักเตือนมาอย่างพวกเขาแน่นอนลยายกูนุนนะพวกเขาก็จะ ผูกนำทางดีกว่าผู้ใดในชาติอื่นๆนี่ภาษาของคนอาหรับกาเฟตมุชริกในนครมักกะมานาบีจะพูดอย่างนี้ถ้าได้มีผู้นำมางามีนบีมามีอาเลมอุลามะมาม า, มาสอนเรื่องศาสนานะเราจะเป็นประชาชาติที่เด่นที่สุดใช่ไหมดีกว่าประชาชาติอื่นๆทั้งโลกเนี่ย พูดดีไหมสาบานดีไหมดีเนี่ยลอร์เล่าให้น บ, บีฟังฟาดามนาจอาฮุมนาลีรุนเมือ่อผู้ตักเตือนได้มายัางพวกเขาแล้วอพี่น้องรู้เองมั่ได้ไหมล่ะแต่น บ, บีอยู่มันอยู่มกักกะได้เปล่านี่นบีอลัลลอฮ์ทรงน บ, บีมาแล้วนะอยู่มกักกะได้ไหม วันนั้นน่ะดูได้ไหมไม่ได้ไล่ทำไมอ่ะสาบานว่าดีไหมถ้ามีนบีมาสอนพอนบีมาจริงๆไล่เ <c oughs> นี่ยอเลาเตือนให้นบีรู้เองอย่างไงอ่างอย่าไปไว้ใจคนกาเฟ่นะคนกาฟเฟ่นิสัยมันเป็นแบบนี้แหละมันสาบานโอ้โหสาบานดีหมดเลยนะถ้ามีผู้นำมา มีผู้ตักเตือนมามีผู้รู้มาเราก็จะเอาความรู้จากผู้รู้จากนาบีเราก็จะเป็นประชาชาติที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้องดี ก, กว่าประชาชาติทั้งอื่นทั้งหมดนี่มันพูดนะพอนนบีมาจริงๆอยู่ได้ป่า <laughs> วไล่นบีมุฮัมมัดวันนี้คนอาหรับไม่ได้ไล่ แต่ชาติอื่นในโลกไล่ไปไม่ไล่ไล่นบีอยู่ด่านบีอยู่ดากุรอานอยู่เผากุรอานอยู่ดาสุนนาณบีอยู่มุสลิมในเมืองไทยนี่แหละดาสุนานบีอยู่เนี่ยต้องการจะเอาอะไรมาลบล้างสุนนะเอาปู่ย่าตายายคำสอนของปู่ย่าตายายมาลบล้างสุน้านบีพวกเราวันนี้อยู่สภาพแบบนี้แล้วสอนก็ไม่ได้ด้วยนะสุราฉันมันไม่ให้ชาวสุนนะ ที่เข้าใจกุรอ่านฮะดิษมาสอนสุราฉันไม่รับคลองฉันเนี่ยไม่รับซอยฉันนี่ไม่รับไปสอยที่อื่นสอนตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับคนอาดาบในนครมกกาเห็นไหมเห็นอย่างรับต้องนึกโอ้ใช่อาญากรสุราอาฮาดาบจำได้ปะเฮ้ยซบะสิทนอธิบายไงใช่ไหมเราบอกว่าผู้คุณนี่นะ นั่งกันคนเดียวหรือสองคนจําได้ไหมล่ะนั่งคนเดียวหรือนั่งกันสองคนคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้แล้พิจารณาว่ามุฮัมมัดเนี่ยนำความแตกแยกมาใช่หรือไม่ไเป็นคณามหมาใช่ไหมเป็นวาบีใช่ไหมนั่งคิดคนเดียวดูสิหรือนั่งกับภรรยาสองคนก็ได้เตือนกันอยู่นั่งคุยเอยมุฮัมมัดมาเนี่ยซุนาน่านาบีเนี่ยมันสร้างความแตกแยกจริงหรือปานั่งคุยคนเดียวเนี่ยอลัลลอฮ์สอนนกะเบลคนอ่านนะเห็นไหม ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใชนะ่ถ้าพิจารณาแล้วไม่ใช่ครับนบีไม่ได้สอนให้ใครตกนรกครับคําสอนของนบีมันจะสร้างความแตกแยกให้ใครนะเนี่ยถ้าอเมริกาห น, น้าม้าคำสอนของนบีข้าพเจ้าเนี่ยนะลาฟาร์กรูบายนะอาจจะมียินเวลาอัลบียินเวลาอัสวะเวลาอัฮมัมดไม่มีผิวดําไม่มีที่ผิวแดงคนจะประเสริฐก็ที่ททตกว่าปัญหาจบเลยนะ เลิกเดินขบวนเลยนอเมริกาเนี่ยแต่ใครคิดล่ะคนที่มีอำนาจเนี่ยไม่คิดเอาลอให้อำนาจอยู่ในมือแกแต่ไม่คิดนะคิดไม่ออกนะเพราะเป็นแอนตี lam, ้อิสลามแอนตี้กุรอานแอนตี้สุนท่านนบีอหมัดแล้วเพ็นไงครับมิตพังกระพังกันต่อไปก็แล้วกับแล้วใครขึ้นมาแทนจีนจะขึ้นมาถ้าจีนทำตัวแบบอเมริกาก็ถูกอีกให้ปวดข้ออายสิบปีรอยปีอะไปเอาต่อมาครับ มาจาดหุมอิลลานุฟูรอฟัมมาจาอหุมนาซีรุนขั้นเมื่อได้มีผู้ตักเตือมนมายังพวกเขามันไม่ได้เพิ่มอันใดแก่พวกเขานอกจากการนุฟูรอไปว่าชิงชังมักตันเหมือนกันนะน บ, บีมา ก, ก็ะชิงนับาน บ, บีตำตำหนิน บ, บีว่านบีนิ่นินสัยของคนกาเฟตในนครมักกะเป็นแบบนี้ สาบานดีไหมดีแบบท่านซาลบาบาหน่ะแหละสาบานกับนบีโอ้นบีขอรัวให้ฉันรวยหน่อยฉันจะเอาเงินมาช่วยงานาศาสนาของท่านพอนบีขอปลารวยพอรวยแพะเยอะขึ้นทางสุราทางนาบีนบีถามว่าไปไหนอ่ะซาลบาบาไปไหน น, กกนู่นกามทุ่งน่ะเพราะแพะเยอะ ต่อมาอลัลลอ์ส่งให้นบีไปขอจักาศไม่จ่ายจักาศพูดว่าโอ้ไม่มีทรัพย์สินนี่เป็นของลูกของภรรยาของฉันของคนล่างหลานของอลัลลอฮ์ไม่มีลืมแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วนะสัญญากับนบีอวัยงนะว่าจะบริจาคงานศาสนาของอลัลลอ์พอได้เงินได้ทองมาอัลลอ์ลืม <c oughs> นี่เตือนพวกเราวันนี้ที่มีสตังค์อยู่ใครให้ ถ้าเองคิดแบบกอรุนไม่ชานะ่ถูกฝันดินสูบนะไม่สูบตอนตากลังกูโบวก็ได้กูฝังเสร็จแล้วอลัลลอฮ์สูบเลยนะ่ะมันต้องนึกนะ่ะฉะนั้นเวลามีริสกีเพิ่มเนี่ยต้องดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ดูแลคนยากคนจนดูแลเด็กกำพร้าดูแลมัสยิดดีแลโรงเรียนอัลลอฮ์เป็นองาอย่างกันที่อาญาในีเตือนนะเตือนเราวันนี้เราเตือนตันผมด้วยตวพี่น้องที่ฟังตับซีกุรอนด้วย ฟาอัลซมุบิลล่งฮิจัดดอิมานิฮิมพวกชาวมักกะบูชาจเวตซาบทสาบานว่าด้วยพระนามของอัลลอฮดะอินยาอุมนัดีรุนโอถ้าหากได้มีผู้ตักเตือนมายัางพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะถูกนำทางดีกว่าผู้ใดในชาติอื่นๆนี่นะกหก ฝรั่ง ม, มาเจออาหุมนาดีขั้นเมื่อได้มีผู้ตักเตือนมาหาพวกเขาจริงๆคือนบีมุฮัมมัดมาแล้วเป็นไงครับไล่นบีวางแผนฆ่านาบีนบีต้องอพยศจากนกกรกไปอยู่ที่นครมาดีนะเพราะอะไรครับไอพาะคนกาเฟเตสบุตสบานแบบนี้แหละ <c oughs> ต, ต่อมาครับมาซาดุมอิลลูฟูร์มันไม่เพิ่มอันใดแก่คนเหล่านั้นเลยนอกจาก การชิงชังต่อคำสั่งของอัลลปฏิเสธอัลลวางแผนฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดสลอมะเสลัมมุฮัมมดเลักั u m a w s h a d u allahu f i r u k a w u s s a l l a l l a h u a h a m m i h i wasallam bi azawajil h a m d i l